ไม่ว่าจะเกิดมุมไหนขึ้นมาคุณพอทำใจได้เพราะคุณคิดเอาไว้แล้วทั้งสองมุมเพราะนคนที่ฉลาดจะคิดเอาไว้ทั้งสองมุมจะไม่คิดเอาแต่ได้นะอันนี้อาตมา ก, ก็พยายามไปพูดให้ให้พวกก็ฟังเพราะว่าอะไรอาตมาบอกกับคุณได้เลยโดยกิเลสของคนเราเนี่ยไวมากเลยนะไอความหวังอย่างงั้นหวังอย่างนี้เนี่ยจริงๆคุณไม่รู้ตัวเลยนะว่าบางทีคุณหวังไปแล้ว บางครั้งอาจมายังยกตัวอย่างง่ายๆเคยพูดไปบ่อยให้พวกเราฟังอย่างเช่นบางทีเดินสวนกันอย่างเงี้ยเรายิ้มให้เขาเป็นไงพอเขาไม่ยิ้มกลับมาเแย่ค yeah, ราวหน้ากูไม่ยิ้มให้บึงละเนี่ยมันหวังแล้วนะแค่เนี่ยมันหวังแล้วแนหะอาจารย์มบอกมันเร็วมากเลยนะถ้าคุณตามไม่ทันนี่ทันทีแล้วนะคุณไม่รู้นะนี่คุณหวังไปล่วงหน้าอีกแล้วนะแต่ถ้าคุณบอกแล้วถ้าคุณเตรียมใจเอาไว้ใช่ไหมแล้วคุณก็เผื่อไว้ละวว่าเฮ้ย ยิ้มไปแล้วเขาอาจจะไม่ยิ้มกลับก็ได้นะเพราะพอเรายิ้มให้เขาเขาไม่ยิ้มกลับมีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาใช่ไหมคราวหน้าเราเจอเขาเราก็ยิ้มให้อีกก็ได้พมันเขาไม่ยิ้มไม่มีปัญหานี่เราเตรียมใจอยู่แล้วอะ่ะอย่างเงี้ยคนอย่างเงี้ยไม่ค่อยทุกข์หรอกบอกแล้วไม่ค่อยอกหักอกพังแล้วคุณก็จะไม่ต้องเจอกับความผิดหวังถ้าใครเข้าใจได้นะนะคอยไปมีสติคอยไปดูสิไปหวังอะไรบ้างซึ่งเยอะแยะไปหมดโอ้โหชีวิตของเรา บางทีเนี่ยแค่เดินไปเนี่ยนะแค่คุณเดินไปจะไปขึ้นรถเมย์ครเนี่ยคุณก็หวังแล้วนะบางทีเดินไปเน่ยรถเมลมันมาถึงพอดีเลยแล้วเราก็ขึ้นที่ไหนได้โอ้โหรอเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่ามันจะมาคราวนี้แหละคุณเริ่มดิน้นล้คุณเริ่มทุรนทุรายแล้วทันทีเลยก็เพราะไ อ, ไอ้ชอบไปหวังอย่างนี้แหละใช่ไหมล่ะงั้นประเด็นนี้ฝากไว้งั้นถ้าใครอยากจะพ้นทุกใครอยากที่จะเป็นคนไม่ต้องมาแม้บางทีไม่ชอบใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ อะไรต่ออะไรเนี่ยคุณจะลดลงไปเยอะเลยถ้าคุณไม่เที่ยวไปหวังอะไรต่ออะไรณวันนี้ฝากฝากเนี่ยจะหวังอะไรเรื่องนี้เอาไว้ให้เป็นแง่คิดด้วยอ่ะคงพอท่านนี้นะ ตายแล้วไปไหนถ้าพ่อท่านตอบพ่อท่านตอบว่าอย่างไงตายแล้วไปไหนฮะตายแล้วไปวัดก็มีพ่อท่านก็เคยตอบอย่างนั้นนล้ก็เคยตอบว่าตายแล้วไปวัดก็มีบางคนก็ตอบตายแลว้ <g ül> แลวก็ <g ül> ไปเผาอ่ก็มีแต่คิดว่าผู้ที่ถามอันเนี้ย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 มันมีหรือไม่ด้วยใช่ไหมคือวิญญาณเนี่ยมีแน่นอนเพราะคนเราเนี่ยคนที่จะมีชีวิตอยู่อยู่ได้ปกติเนี่ยนะหมายถึงมีชีวิตอยู่จะต้องหนึ่งประกอบด้วยกายสองจะต้องประกอบด้วยวิญญาณเพราะนั้นคนที่จะมีชีวิตได้เนี่ยจะต้องประกอบด้วย2 ส, ส่วนนี้ถึงจะมีชีวิตถ้าเป็นคนไม่มีชีวิตคนี้คนตาย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 จริงว่าเหมือนต้นไม้ยังไม่ได้ถ้าจะว่าเปรียบมึนก็ต้นไม้ก็ต้องเหมือนกับต้นไม้ที่ที่ตายแล้วคือจริงๆแล้วต้นไม้เนี่ยนะเอายกตัวอย่างต้นไม้ก่อนต้นไม้ที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะถ้าตอนที่มันมีชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแต่เขาเรียกว่าไม่มีวิญญานครองอยู่คือไม่ประกอบด้วยวิญญานราะต้นไม้ที่มีชีวิตอยู่ต้นไม้ที่ยังไม่ตาย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 ปริญญิพานคือผู้ที่ไม่กลับมาเกิดอีกวิญญาณ น, นั้นน่ะไม่สามารถที่จ ะ, ะกลับมาอะไรอ่ะอาศัยร่างที่จะเกิดได้อีกเพราะวิญญาณ น, นี่แตกสลายออกไปแล้วแตกกกกแ่ก็ก็จัดกระจายไปอยู่ในโลกเนี้แหละก็กระจัดกระจายไปแต่ไม่มีการมารวมตัวกันอีกแล้วเพราะมันก็ไม่เป็นสภาพของ ถ้าเขาเรียกกันาาก็อาจจะไม่เป็นดวงวิญญาณแล้วแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นดวงๆนะคือคือเราบางทีดูหนังดูละครดูอะไรมากเราชอบนึกวิญญาณก็เป็นเลยเป็นดวงสว่างสว่างเป็นก้อนอะไรกล ม, กลมๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆมันไม่ใช่เป็นงั้นเพราะสภาพวิญญาณนี่ผู้เจ้าท่านตรัสเลยนะว่าวิญญาณเนี่ยอสรีลังอนันตังอนิทัศสนัง อาสลีลังคือวิญญาณไม่มีรูปร่างอ น, นันตังก็ไม่มีที่สิ้นสุดอันนทัศนังก็คือมองเห็นไม่ได้สภาพของวิญญาณแล้วก็วิญญาณังอนัตตาคือวิญญาณมันไม่ได้มีตัวตนนะไม่ได้เป็นรูปร่างมันจะเป็นตัวตนนะอันนี้ก็เป็นคำตัดที่พูะุทธเจ้าท่านัดเอาไว้เลย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 เอามีดมากรีดตามเนื้อตัวเนี่ยนะเพื่อที่จะหาว่าบิน ญ, ญาณอยู่ตรงไหนแต่หายังไงก็หาไม่เจอหายังไงก็หาไม่เจอจนในที่สุดเนี่ยจะจะแหลก่็แล้วนะจะโอโ้โหอะไรอ่ะป่าตรงนั้นป่าตรงนี้จริงจไอ้คนต้อก็ตายนะโอโ้โหทรมานโทรกรรมแต่ว่าเนี่ยพระราชาพระองค์นี้ก็ต้องการจะรู้ให้ได้ว่าบินยาณอยู่ตรงไหนในร่าง ก็หาวิธีต่างๆหาตั้งหลายวิธีน่ยทำตั้งเยอะตั้งแยะแต่จะมาจำจำวิธีหนึ่งที่เขาจะหาวิญญาณเนี่ยโดยที่เขาเอาคนตายเนี่ยไปใส่ไปใส่กระทะเสร็จแล้วก็หาฝาปิดนะแล้วก็มีรูเล็กๆอยู่รูหนึ่ง <S <S <S <S พูดง่ายๆไอ้รูเล็ก ๆ, ๆเนี่ยเพื่อให้เดี๋ยวๆไอ้คนข้างในมันตายเนี่ยนะ ถือว่าเอ า, เอาจะเอาน้ําต้มหรือว่าจะเอาไฟเผาก็แล้วแต่ไอคนเขาในตายเนี่ยไอรูเนี่ยเผื่อว่าวิญญาณออกก็ต้องออกที่รูนี้ไม่มีทางอื่นให้ออกนะที่อื่นนี่ปิดหมดเลยก็ปรากฏว่าพระราชาพระ อ, องค์เนี้ยก็จัดการอย่างนี้เลยนะโอ้โหเอานักโทษมาเสร็จแล้วก็เอาใส่กระทะนี้เลยแล้วปิดให้แน่นหนาให้หมดเลยทั้งๆที่ไอ้นั่นเป็นเป็นน่นแห ล, ละเสร็จแล้วพอปิดเสร็จแล้วก็เหลือรูเล็กๆไว้รูหนึ่ง เพื่อที่ให้บิญยาณเนี่ยโผล่มาจากรูนี้แหละเพราะไม่มีทางอื่นไปแล้วนี่มีทางเดียวเท่านั้นแต่ปรากฏว่าทําวิธีนี้แล้วก็ยังไม่เห็นวิญญาณเลยส่วนไอ้ไอโจในนั้นก็ตายซีงแงแกไปแล้วเพราะฉะนั้นวิญญาณเนี่ยมีจริงแต่มันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนให้เราจับต้องให้เราให้เราพิสูจน์เป็นรูปร่างเป็นอะไรได้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 อะไรที่พาไปเกิดใครจาได้มั่งมันมีคำอยู่คำหนึง่งพระพุทธเจ้าท่านก็จะใช้คำนี้อ่าท่านใช้คำว่าตัณหาพาไปเกิดตัณหาก็คือความอยากนั่นเองถ้าหมดความอยากซะได้อะก็ไม่เกิดเพราะนั้นก็จะบริสธิพผานไปก็จะไม่เกิดไม่ต้องไปถึงกับเราไม่ต้องไปนึกถึงไกลจนช่างแบบว่าอะไรอะ่ะ ตายจากชาตินี้เราไปเกิดชาติหน้าหรอกเอานึกในชาตินี้เลยชาตินี้สูว่าเราชอบอะไรเราติดอะไรน่าเราอยากอะไรแสดงว่าตอนนี้สภาพวิญญาณเราเนี่ยจิตใจของเราเนี่ปรากฏว่ามันก็อยากอยู่เรื่อยใช่ไหมอยากในสิ่งนั้นน่ะที่เราชอบนั่นแหละก็อยากมีอยากเป็นอยากได้เกิดขึ้นวันตราบใดเนี่ยถ้าวิญญาณใครมีตัณหาแบบนี้แหละ มีตันหาอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าชอบกินไอศครีมตันหามันก็จะพาให้เดี๋ยวก็พาไปกินเดี๋ยวก็พาไปกินไอศครีมเดี๋ยวก็พาไปกินไอศครีมนี่แหละคือความอยากแม้แต่วิภาวะตันหาก็ตามไม่ต้องแค่เป็นกามาตันหาไม่ต้องแค่เป็นภาวะตันหาแม้วิภาวะตันหาก็ตามก็ยังเป็นตัวพามาเกิดอืม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 ไหนบอกว่าถ้าตายแล้วเนี่ยก็จะต้องเกิดอีกใช่ไหมก็ก็พูดก็พูดบอกว่าเนี่ยถ้าตายจริงแล้วคนจะต้องมาเกิดอีกเนี่ยปรากฏว่าเขามีญาติคนหนึ่งสมมุตินะพระราชานี่บอกว่าเนี่ยมีพระประยูรญาติอยู่คนหนึ่งตายแล้วปรากฏว่าก่อนจะตายเนี่ยสั่งเสียสั่งเสียไอ้คนจะตายเนี่ยนะบอกว่าถ้าตายแล้วนะตายไปเสร็จแล้วเป็นวิญญาณเนี่ยแลกลับมาบอกนะ ว่าตายไปแล้วเป็นยังไงบ้างกูซาสั่งเสียไว้ก่อนตายแต่ปรากฏว่าพระราชาพระองวกนี้ก็บอกว่าเนี่ยไอ้พวกที่ตายตายแล้วเนี่ยสั่งกําชับไว้อย่างดีแล้วปรากฏว่าไม่มีใครกลับมาบอกสักคนหนึ่งแล้วก็เลยบอกว่าถ้าอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยจะบอกได้ยังไงว่าว่าบิญยาณใช่ไหมมีกลับมาเกิดจริงอ่าพูดแล้วก็น่าฟังใช่ไหม ก็น่ามีเหตุผลอแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นใครอยากรู้รายละเอียดจังนี้เพราะว่าเรื่องนี้ก็สอนไปตั้งนานแล้วโอ้โหเรื่องนี้จะเทปตั้งสี่ม้วนได้มึงอ่าสี่ม้วนได้มึงเพราะยาวเลยพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ยาวมากโอ้โหแล้วพระตาชาคนนี้เลือกเกินจริงๆริเลือกเกินจริงๆมีเหตุผลแม่แจวๆทั้งนั้นเลยนะ เอามาอ้างเอามาอ้างซึ่งซึ่งถ้าเราเองเนี่ยเราไม่มีความรู้เรื่องเรื่องของจิตปิญญาเนี่ยรับรองเลยว่าแพ้พระราชาพงษ์นี้ไม่สามารถที่จะตอบพระราชาได้แต่ปรากฏว่ามาจาไม่ได้ว่าพระภิกษุนี่ชื่ออะไ ร, ระกุมารกสปะเหรอใช่นะจาแม่นนะอ่านะปรากฏว่าโอ้โหก็ตอบอย่างยอดเยี่ยมเลยนะ ตอบจนเรียกว่าพระราชาพระองค์นี้นี่ในที่สุดนี่ยอมยอมมากเออวิญญาณอย่างนี้เชื่อได้ว่ามีจริงแต่มันยาวเล่าไม่ไหวโอ้แล้วเรื่องนี้หน้าอัตมาอยากจะบอกว่าน่าศึกษาหน้าอ่านมากเพราะว่าจะทำให้เราคลายใจในเรื่องของวิญญาณได้มากเลยมันยมที่ถามนี่นะอยากจะแนะนาว่าลองลองไปอ่านพระไตรปิฎกก็ได้ ที่ห้องสมุดเรามีพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องนี้โยมโยมอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นคือวิ ญ, ญญาณในโลกเนี่ยมันของใครของมันแล้วมันไม่มีใครผลิตไม่มีบริษัทผลิตวิญญาณหรอกน ะ, อะอของเก่าสิก็บอกแล้วว่า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 มีสัตว์ทั้งหมดกี่ชนิดก็นั่นนาที่มันเยอะแยะใช่ไหมล่ะไม่ไม่ต้องมีเพิ่มละโยมนะไอ้เท่าที่มีอยู่นี่อาตมาว่ามันก็จะล้นโลกจะแย่อยู่แล้วนะเพราะฉนั้นอาตมาถึงบอกว่าเรื่องเนี้ไม่เข้าใจยากครับผู้พุทธเจ้าถึงบางทีไม่ตอบเลยเพราะว่าตอบไปแล้วก็ยิ่งเผลอๆยิ่งสงสัยหนักขึ้นอ่า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 มาถึงไม่สงสัยเพราะว่าเผลอๆ เ, เ, เนี่ยก็มวัวคิดแต่เรื่องพวกนี้แหละ ท, ทั้งที่ความเป็นจริงอะนะเราตายแล้วจะไปเกิดไปอะไรนะช่างหัวมันเถอะขอให้เราทําชาติเนี้ยชีวิตเนี้ยตอนที่มีชีวิตอยู่นะถือศีลปฏิบัติธรรมหรือทําความดีเนี่ยให้ดีถ้าเราทําให้ดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวตายไป ม, มันไปดีของมันเองแล้วมันก็จะไปได้เกิดเป็นคนเองอะ่ะมันจะไม่ต้องไปเป็น ยุงไม่ต้องไปเป็นแมลงวันไม่ต้องไปเป็นไสเดือนไม่ต้องไปงูเย е วเขียวตะขอที่ไหนแต่ถ้าสงสยัยสงสยัยสงสยัยสงสยัสงสยอยู่มากๆเข้ามากๆเข้าไอ้ตัวสงสัยนี่แหละมันจะยิ่งทำให้เราเนี่ยหมดพลังนะในการที่จะคิดสร้างสรรในการที่จะทำดีๆไอ้นู่นไอ้นี่เพราะมันมาติดอยู่ตรงเนี้ย ม, มามาคาอยู่เนี้ยมันจะเกิดความสงสัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก <c oughs> <c oughs> ็แล้วแต่โยมถ้าโยมพอใจก็แล้วแต่ เออถ้าพอใจอย่างนั้นระวังอ่ะมันเป็นจริงๆนะเอาจิงๆพระเจ้าท่านตรัสไว้เลยพระวิจารณ์ท่านตรัสไว้เลยถ้าพอใจอย่างงั้นพอใจอย่างงั้นพอใจอย่างนั้นเน่ยมันเป็นเขาเรียกว่าทิฏฐิทิฏฐินี่มันตั้งเอาไว้เมื่อตั้งเอาไว้เนี่ยแล้วความสามารถคนนั้นเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆได้ด้วยเพราะว่าสภาพของสัตว์ต่างๆเนี่ยมันจะมีสภาพ ข, ของสัตว์ที่เออพูดไง่ายๆว่าสภาพของวิญญาณเนี่ยคุณภาพของวิญญาณ ว่าเออคุณภาพวิญญาณขนาดนี้เป็นสัตว์ชนิดนี้ได้สัตว์ชนิดนี้เรียกว่ามนุษย์อ่าถ้าวิญญาณคุณภาพขนาดนี้เป็นสิงโตได้อ่าวคุณภาพขนาดนี้เป็นช้างได้อ่อไม่ใช่อยู่ดีดีอ่ะแต่ละคนจะเลือกเป็นสัตว์ชนิดไหนก็เป็นได้นะที่จริงน่ยมันต้องเป็นไปตามคุณภาพของวิญญาณด้วยที่ขีดความสามารถสูงสุดเนี่ยเป็นได้ขนาดไหนถ้าขีดความสามารถสูงสุดของวิญญาณ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 าตามกิจความสามารถที่เราสะสมที่เรากระทำบุญบา ร, รมีหรือว่าไปสร้างกรรมมับากเอาไว้เพราะฉะนั้นคนนั้นก็จะเป็นได้เท่าที่ตัวเองจะเป็นได้ไม่สามารถที่จะเลือกอย่างเช่นเราอยากจะเกิดเป็นคนนะเสร็จแล้วก็อยากจะเกิดเป็นลูกนายกนะ <c oughs> ไม่ได้อันนี้ต้องสะสมบา ร, รมีให้ให้ขนาดนึงยิ่งถ้าจะเป็นอย่างพระลาหุนอย่างเนี้ย โอ้ oh, ลูกของเจ้าชายสิทธัตถะอาคุณต้องบําเพ็ญบารมีนะคุณไม่บําเพ็ญบารมีมาคุณเป็นไม่ได้อะต่อให้อยากเป็นก็เป็นไม่ได้อืมเพราะนั้นการที่อยากเป็นเนี่ยจะเป็นได้ก็เฉพาะบอกแล้วว่าเป็นไปตามขีดความสามารถที่เราจะเป็นได้แล้วเป็นจริงๆอันนี้พุทธเจ้าท่านตัดเลยว่าเป็นจริงๆมันไปตามนั้นเลย แต่แตอนนี้ถ้าคนที่ถือศีลปฏิบัติทำมาฉลาดแล้วนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเลือกในสิ่งที่ดีแล้วก็ตัวเองเป็นได้มันก็จะไปตามนั้นเพราะนั้นมันจะไม่ค่อยดิดน้นรนจะไม่อะไรเนี่ยมากส่วนใหญ่ที่จะดิ้นรนแล้วก็จะเร่าร้อนมากเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสภาพเหมือนกับสภาพจิตวิ ญ, ญญาณที่เขาเรียกว่าเหมือนกับสัตว์นรกคำว่าสัตว์นรกเนี่ยหมายถึงสภาพจิตวิ ญ, ญญาณที่มันเหมือนกับตกนรก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 นะคุณภาพมันไม่พอให้ไปผุดไปเกิดนะบางทีเขาก็เรียกว่าสัมภเวสีก็มันก็ล่องลอยอยู่อย่างนั้นก็ล่องลอยหาที่เกิดยังไม่ได้หรือพวกเปรตเนี่ยเขาก็บอกว่ายังไม่สามารถจะมาผุดมาเกิดแต่มันทรมานน ะ, ะมันอยากนะมันอยากจะเกิดแต่ว่าพูดง่ายว่ามันเหมือนกับที่เขาบอกว่าไปใช้กรรมหรือไปรับบาปเนี่ยคือมันมันยังเกิดไม่ได้เพราะเพราะตัวเองไม่ใช่เพราะใคร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 ส่วนใหญ่ก็จะมาเกิดเป็นเดรัชานต่างๆพอมาเกิดแล้วมันก็ถึงจะเออพ้นทุกข์ขึ้นมาขนาดหนึ่งเพราะมันมีตัวตนมีร่างกายที่จะกินสูบดื่มเสพจะทำอะไรก็ได้แต่ตามคุณภาพของสัตว์ชนิดนั้นๆก็จะเกิดสภาวะพวก น, นี้นะพอะฉะนั้นถึงบอกว่าโอ้โหเรื่องพวกนี้มันยุ่งเยิงมันวุ่นวายพเจ้าถึงบอกเรื่องของวิบากกรรมเนี่ยเป็นอจินไตย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 ไม่กลัวมันจะต้องตายเตยอะไรหรอกแล้วไม่กลัวอีกนะว่าจะต้องไปเกิดไปเป็นอะไรต่ออะไรไม่กลัวหรอกเพราะว่าชัดเจนในผลกรรมของตัวเองว่าตัวเองทําอะไรไว้นะบางทีตัวเองอย่่งยังพอพยากรตัวเองได้เลยว่าว่ามันจะไปเป็นยังไงบ้างอาจจะเข้าครนะ่าวอะนะเออคงไม่ตกตามเป็นธรรมดานะ่ะก็เหมือนพระเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเป็นพระโสดาบันใช่ไม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 อาตมาเห็นตัวอย่างมาไม่น้อยแล้วละ่ะมีแต่ก่อนเนี้มีคนนึงก็มาอยู่วัดเสร็จแล้วก็สงสัยเรื่องเนี้คุยทีไรถามทีไรก็จะถามเรื่องวิญญาณเนี่ยตอบไปให้ฟังยังไงก็ยังสงสัยอยู่อย่างนั้นตอบไปให้ฟังยังไงก็สงสัยอยู่อย่างนั้นอ่ะเขาบอกแล้วว่ามันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนอะไรเนี่ยที่จะเอามาเป็นแท่งก้อนเอามายืนยันเอามาพิสูจน์อะไรกันได้เลยเพราะฉะนั้นนายจิสุดก็เลยบอกเอ้า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 บางคนว่ามันก็คาอยู่ว่าสมองเนี่ยโอ้โหเขาพยายามสลัดสลัดมันก็ไม่ค่อยหลุดนะเดี๋ยวมันก็มาอีกแล้วเดี๋ยวมันก็มาอีกแล้วเลยยากเลยตดาหลังก็เลยอยู่ที่สันติโศกนี่ไม่ได้เพราะว่ามันคลายไม่ออก <c oughs> ก็เลยต้องก็เลยต้องเที่ยวตะเวนไปที่โน่นที่นี่ที่อะไรเพราะว่าอยากจะให้สิ้นสงสัยให้ได้ ซึ่งอาจารย์มาฟ้องได้เลยบอกว่าโอ้โหเอาเถอะคุณเสียเวลาในชีวิตไปมากมายเยอะแยะโดยที่แทนที่เนี่ยเราจะปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ได้มากผลได้บารมีเพิ่มเนี่นะเราเสียไมเวลามาติดอยู่กับไอ้ความสงสัยตรงเนี้ยแล้วต่อให้คุณรู้แล้วอ้าวพอคุณรู้แล้วเนี่ยแล้วคุณได้อะไรจากจากความรู้ไอ้ไอ้พ้นความสงสัยเรื่องเนี้ยคุณได้อะไรบางทีมันก็ ี่ก็ไม่ได้อะไรนะก็ไม่ได้เร็วขึ้นหรือว่าก็ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรขึ้นเพราะนั้นอาตมาถึงบอกว่าเออเข้าใจจริงๆว่าทําไมพระเจ้าถึงบางทีไม่ตัดตอบเรื่องพวกนี้เข้าใจแต่บางครั้งก็คิดว่าเอ้าก็ลองตอบดูบ้างบางครั้งก็ลองตอบดูบ้างอันนี้ดื้อนี่นี่ที่ตอบนี่คือดื้อนะคืออาตมาดื้อที่จะตอบเอ่า ถ้ท่านกีกว่าเป็นจริงเนี่ยแหมขนาดผู้จเจ้าท่านยังไม่ตอบเลยอ่จริงๆเนี่ยอันตร า, า น, นี่ไม่ควรดื้อแล้ว <c oughs> ก็ฝากบอกพวกเราเพราะว่าก็มีหลายคนก็สงสัยสงสั ย, สสยนะแต่ถ้าปฏิบัติธรรมไปดีๆเถอะเราจะเข้าใจมากขึ้นแล้วแปลกนะบางทีเนี่ยไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องแปลอะไรหรอก <c oughs> ปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยจะเข้าใจเรื่องวิญญาณมากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหม